แต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นพระทำไมโทษจึงไม่เหมือนกันปัญหาเหล่านี้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องโลกุตระธรรมจะไม่มีทางเข้าใจได้เลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ตรัสว่าคารวาตตัดต้นไม้เป็นบาปเพราะถึงจะตรัสห้ามอย่างไรคน่วนมากก็ทำตามไม่ได้ซึ่งการห้ามเช่นนี้ยอมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลย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 หรือแม้เพียงนั่งเรือกำลังจะขึ้นฟังเรือเกิดโคลงขึ้นมาเพียงคว้าตะไครน้ำขาดยังต้องอาบัตดทำจิตให้เศ้าหมองได้เลยนะครับในหนังสือปฏิบปทาพระทุดงฆกรรมาฐานสายลุงปู่มั่นท่านก็ยังเล่าถึงเรื่องพระทุดงและเมื่อวินัยตัดต้นไม้แล้วส่งผลเสียหายให้พระรูปนั้นมากเช่นกันหลายอย่างต้องปฏิบัติจ น, จนจิตละเอียดจริงเท่านั้นจึงจะรู้สึกและเข้าใจได้รอบด้านจริงเป็นสิ่งที่ผู้ท่องแต่ตำราไม่เคยปฏิบัติใหถึงจุด